ได้มาจบตอนที่ท่านพระฤาีวตะได้ขออุปสมบทบรัญชาความจริงขอบรญชาเป็นสมณองจาบรนดาพระสมฆท่างหลายที่อยู่ใกล้บ้าน <c oughs> แล้วก็ตัดสินใจว่าถ้าอยู่ในบ้านและในวัดนั้นที่มันใกล้บ้านบรรดาญาติพี่น้องนท่านหลายก็จะพากันมาชวนท่านแล้วเรียกท่านกลับไปบ้านเพื่อไปอยู่กับคู่ครอง เจนนั้นเจริญลาบบรรดาพระท่านหลายในวัดนั้นเดินทางเข้าป่าไกลออกไปถึงสามสิบพิยอดในป่านั้นบางแห่งท่านเรียกว่าป่าสะแกบ้างในบางที่ท่านเรียกว่าป่าไม้ตะเคียนบ้างตอนนี้ของบรรดาท่านหนังหลายจงย้อนรอยถอยหลังถทิจริยาคืออารมณ์ของพระฤาวัด วานจริงพระฤรวัดนี่มีอายุเพียงเจ็ดปีเท่านั้นการฟังบรรดาท่านทั้งหลายเมื่อฟังแล้วก็ต้องคิดตามไม่ใช่ว่าจะเพียงสักว่าฟังกันเฉยๆถ้าฟังเรื่องกันเฉยๆมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าพระสูตรที่นำมาเล่าสู่กันฟังเป็นพระสูตรที่เอานำมาบุคคลตัวอย่างในการปฏิบัติมาเล่าสู่กันฟัง เพื่อจะได้เป็นประโยชน์กมรรดาท่านหลังไหลสาหรับพระเร ว, วัตอย่าลืมว่าเป็นเด็กอายุเจ็ดปีมารดาจัด ก, การให้แต่งงานกับหญิงที่เมายุเท่ากันทั้งนี้ก็เพื่อจะมีการผูกพันไม่เธอบวชก็ว่าพระสารีบุตรทึ้งเป็นพี่ชายใหญ่ได้นำน้องสาวสามคนกับน้องชายสองคนไปบวชร่วมด้วย เป็นอันว่าทั้งภาษารีบุท้วยเป็นหกคนด้วยกันแต่แม่เป็นมิชาทิฏฐิยิงตั้งใจจะผูกพันให้บริวัตติดอยู่ในการครองเรียนเพื่อปกครองรัพแปดสิเจโกดสำหรับในเวลาที่ทำการแต่งงานเพราะอาศัยคำให้พรขมันดาญาติฝ่ายหญิงว่าขอจงเป็นผู้เห็นทาตามที่ยายของเธอเห็นแล้ว ยายของเด็กหญิงคนนั้นมีอายุ120ร้อยี่สิบปีระวัตถามว่าคนไหนเป็นยายเ้าก็ตอบว่าก็หญิงแก่คนนี้ที่กำลังลดน้ำเธออยู่นี่เป็นยายยายของพันยาเลยก็ได้พิจารณาว่ายายได้มีผมหงอกมีฟันหลุดมีหนังตกกระมีร่างกายหลังคอบลงไปหอมเหมือนกับไม้สิ้นผี แล้วเธอยินถามว่าก็เด็กหญิงคนนี้ที่แต่งงานก็เข้าไปเจ้าต่อไปที่จะมีสภาพอย่างนี้หรือพรรดาญาติหลายก็ตอบว่าต่อไปถ้ามีอายุยืนแบบนี้ก็จะมีสภาพอย่างนี้เหมือนกันเป็นอันว่าพระเรวัตมองเห็นภาพของยายของพัญญาที่กําลังแต่งกันในวันนั้นมีสภาพอย่างนั้นแล้วก็มีความรู้สึกว่าคู่ครองเขาตนเอง ก็จะต้องมีสภาพอย่างนั้นเหมือนกันเขาเกิดอาการรังเกียจเห็นว่าร่างกายไี่มีสภาพไม่ถ้าวรไม่เจริญรุง่งเรืองตลอดการตลอดสมัยมีการทุดโทมไปในทีสุดมีสภาพที่น่าเกลียดน่าชางังจึงเกิดอารมณ์เบื่อหนในขณะนั้นอารมณ์อย่างนี้ขอบรรดาเพื่อนพระโยคาวจรทางหลาย ธรบันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่กําลังรับฟังถ้าเราจะนำมาคิดกันบ้างว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมันดาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าสิ่งธรรมดาทั้งหลายเรานี้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงเราไม่สามารถจะทรงชีวิตร่างกายอยู่ต่อไป ไม่ช้าไม่นานเท่าไรเรากระร่างกายก็ต้องจากกันไปแล้วก่อนจะจากมันก็สร้างความทุกข์ให้อย่างหนักคือต้องบริหารร่างกายอยู่ตลอดเวลาเราจะเลี้ยงดูมันประเภทไหนก็ตามทีจะปฏิบัติแบบไหนก็ตามร่างกายก็ไม่เคยตามเราในที่สุดมันก็เราก็ต้องจากกันนี่อาศัยนิบีธายานของพระเรวตะาเป็นสาคัญ ขามันดาท่านทั้งหลายผู้รับฟังถ้าปฏิบัติตามท่านแล้วก็คิดตามท่าน mm. ก็ยังมีนิกิยทายาทคือความเบื่อนหน่ายในขันห้าเหมือนท่านหลังจากนั้นท่านได้ฟังคําสอนขอมรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายที่อยู่ใกล้บ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านทั้งหลายสามสิบองนั้นก็เป็นพระอรหันต์ก็สอนเพียงสั้สนๆว่าถ้าเธอ ป, ปรารถนาจะบรรลุมรรคผล ก็ให้พิจรารณากันห้าคือโรคเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้ใช่ร่างกายว่ามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราบ้านกลรรางกายเป็นที่อาศัยชัโชคราวเหมือนกับบ้านเชาวเมื่อหมดฤ ด, ดูกาลฤ ด, ดูสมัยเขาก็ไล่ออกจากบ้าน <c oughs> ข้อนี้มีประมาณชั้นใดเธอจงวางภาระคือร่างกายเสีย แล้วเทก็จะเข้าถึงที่สุดของความทุกข์นี่ท่านฟังคำแนะนำเพียงเล็กน้อยเพียงเท่านี้แล้วเข้าไปอยู่ป่าไกลประมาณสามสิบโยน์แต่พุตเดียวภายในคืนภายในสามเดือนนั่นเองเอก็ได้บรรลุอรหัตผลเป็นปริสัมวิทายา น, <c oughs> นี่จริยาอย่างนี้บรรดาท่านหลายคนจะจดจำแล้วก็คิดตามพิจรารณาตาม เราว่าท่านเป็นเด็กเพียงแค่อายุเจ็ดปีจะมีความรู้มีความคิดแบบนี้แล้วก็เวลานี้เราโตกว่าเด็กอายุเจ็ดปีทําไมเราจึงจะคิดไม่ได้ถ้าจะอ้างว่าท่านพระเรวัตเป็นผู้มีบา ร, รมีครบถ้วนเวลานี้บา ร, รมีสิบราการเราก็ศึกษากันแล้วเจาระห์สิบห้าระการเราก็ศึกษากันแล้วอิทธิบาทสี่เราก็ศึกษากันแล้ว ถ้าเรายังจะคิดว่าเรามีสมรรถภาพไม่เท่าพระเวัตผมก็คิดว่าควรจะเปลื่องผ้ากาสาวพัดออกกันกนงง่งกันเสียง่งผาถงกันเสใหม่ดีกว่าก็ น, นั่นแสดงถึงว่ากำลังใจของเราใช้ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเราเป็นสาวกพระองค์สมเด็จพระจอมไตรบรุมาสนดาสมมาสพุธเจ้า <c oughs> ไอ้เดยอ้างบอกว่าถ้าบา ร, รมีไม่เต็มก็คําว่าบา ร, รมีก็แปลว่ากําลังใจเื่อทั้งกําลังใจให้เต็มในบา ร, รมีสิประการว่ากําลังใจของเราถ้าเต็มในบา ร, รมีสิบประการอย่าว่าแต่พระโสดาบันเลยเราจะเป็นพระหันอย่างพระฤาษีก็เห็นจะไม่เป็นของไม่ยากท่านใช้ในระยะเวลาเพียงสามเดือนและอยู่เองแต่คนเดียว รับคำสั่งสอนครั้งเดียวไม่ป่าไม่มีใครสามารถบรรลุได้แต่ว่าสำหรับพวกเรารับคำสั่งคำสอนกันวันละสี่ครั้งแต่ว่ายังไม่สามารถจะทำได้แม้แต่มักเบื้องต้นก็เข้าใจว่าท่านอาจจะเป็นอภัพพระบุคคลคือเป็นบุคคลที่หาความเจริญไม่ได้กระมังยิงไม่มีกำลังใจเพื่อจะรักษาความดี ต่อไปเขาได้ปวดฟังเรื่องราวต่อไปว่าเมื่อบันปวารณาแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วต้องการจะไปเยี่ยมพระเระะวัตพระสารีบุตรจึงเข้าไปทูลลาองค์สมเด็ดจพระสงสวัสดีโสภาคอีกครั้งหนึ่งว่าเวลานี้สิ้นเวลาสามเดือนเศษ พ้อมลาองค์สมเด็จพระบรมโ ล, กลเกเทศไปเยี่ยมน้องชายที่อยู่ในป่าชัด <c oughs> ในขณะนั้นเององค์สมเด็จประทรงสวัสดีโสภาที่ด้มีพระพุทธดำรัสตรัสรวาสารีปุตะดูก่อนสารีบทถึงแม้ว่าเราเองเราก็จะไปเหมือนกันแล้วองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสาสันดาที่ด้มีพระพุทธฎีกาตรัสสั่งพระอานนท์ ว่าอานันทะดูก่อนอนนลเธอจงผดียงพระทั้งหมดที่มีอยู่ในนี้ว่าเวลานี้เราจะไปเยี่ยมพระฤวัตน้องชายของพระสารีบุตรซึ่งเป็นเด็กอายุเพียงเจ็ดปีได้ทิ้งบ้านทิ้งเรองเข้าไปอยู่ในอยู่ดูในป่าหางจากคนเป็นที่อยู่ของประชาชนที่ระยะทางสามสิบโยชนใครจะไปกับเราบ้างก็ขอให้ไปได้ เมื่อพระอานต์นบอกบรรดาพระทั้งหลายแล้วปรากฏว่าพระทั้งหมดไปด้วยประมาณห้าร้อยรูปด้วกันในเวลานั้นองค์สมเด็จพระพักตรวันบรมศศานดาทรงเสด็จไปได้หน่อยเลงพระอานุ์เทระจึงในยืนอยู่ระหว่างทางสองแฝง ในกราบทูลองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ า, จา ว, ว่าพันเตพระโกวารข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ า, จาผู้จเจริญพระพุทธเจ้าค่ะสำหรับทางที่จะไปสู่สำนักของรวรีวัตะนั้นทางนี้เป็นทางอ้อมประมาณหกสิบโยชน์แต่ว่าเป็นที่อยู่ของมนุษย์เป็นที่สำหรับจะมินาบาตได้ตลอดทาง สำหรับทางสายนี้เป็นทางตรงประมาณสามสิบโยต์แต่ว่าเป็นที่อยู่ก็อมนุษย์คือเพราะอมนุษย์คุ้มครองได้แค่เทวดา <c oughs> ข้าพระพุทธเจ้าข่ายายัทราบว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระพ่ายเจ้าจะทรงสเสด็จทางไหนพระพุทธเจ้าข่า <c oughs> ในเวลานั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระพ่ายเจ้าจึงจัดถามว่าอานันทพระโดยก่อนอนนนท ก็สีวลีมากับเราหรือเปล่าพระลริก็กราบทวูลว่ามาพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพระพุทธมีพระภาเจ้ากล่าวว่าถ้าสีวลีมาเธอจงถือเอาทางตรงนั่นแหละทางตรงนั่นเป็นที่ไปแต่ความจริงในคราวนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมิตรสันดามีความประสงค์จะประกาศความดีของมาสีวลีจะสําคัญ แต่ได้ว่าองค์สมเด็จพระสงท่านก็ไม่ได้โกรธไม่ได้กล่าวว า, าจาเช่นนั้นเป็นเพียงพูดว่าถ้าศีวลีมาก็จะไปทางตรงในพระบาลีที่กล่าวว่าได้ยินว่าพระศาสดาไม่ได้ทรงตรัสว่าเราจะายังเข้าต้มและเข้าสวยให้เกิดขึ้นแก่พวกเธอพวกเธอจงถือเอาทางตรง เป็นนั่นว่าเมื่อทรงทราบดังนั้นแล้วในขณะ น, นั้นที่นั่นเป็นที่ให้ผลแห่งบุญแห่งทนทั้งหลายฉะได้นทรงตรัสว่าถ้าศิวลีมาเราก็อย่าไปในทางตรงเช่นนั้นเมือ่อองค์สมเร็จพระพุทธ ก, กวันทรงดําดเดินเป็นในบนทางระหว่างนั้นในขณะนั้นเองปรากฏว่าบรรดาเทวดาทั้งหลายพาคิด ไม่คิดอย่างเดียวไปชมกันด้วยว่าพวกเราจะทําสการะกับศีลีเทระพระผู้เป็นเจ้าของพวกเราที่นั่นที่นี่สั่งนิรมิจบรรดาวิหารทั้งหลายในช่วงระยะเวลาหนึ่งยศอื่นหนึ่งยศสร้างวิหารไว้จุดหนึ่งพอเพียงกับพระห้าร้อยรูปเป็นอย่างดีและเวลาที่สร้างไม่เกินกว็หนึ่งยศเอาเรียกว่าหนึ่งยศ สร้างวิหารค้อยที่หนึ่งหนึ่งยอดสร้างวิหารหน้าที่หนึ่งเรื่อบรรดาพระทั้งหลายมีองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสัญญาสด็จไปที่นั้นก็ทรงพักวิหารที่เทวดาทรงที่เทวดาพากันนีลยไม่ขึ้นบรรดาเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นก็พาเอาเข้าต้มบ้างเข้าสวยบ้างที่เป็นที่ เข้าไปถวายตั้งใจว่าพระสีวลีเถระผู้เป็นเจ้าเข้าเรามาพระสีวลีอยู่ที่ไหนเราจะไปถวายที่นั่นตอนนี้บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังฟังแล้วก็ต้องคิดความจรงิงพระสิวลีนี่เป็นสาวกข้าของค์สมเด็จตัณสัมมาสัพพุทธเจ้าแต่ว่าเทวดากลับเห็นว่าไม่มีความสำคัญ เห็นว่าพระสีวลีมีความสําคัญกว่าแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ได้แสดงการลังเกียจพระศีวาลีหรืออิชฉาได้สยามระสีวลีแต่ความจริงบนบ ร, รมีเขาองค์สมเด็จพระจินสีก็มีอยู่ตรงมากสมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าทําอย่างนั้นใคร่ใจคนละหลายคือพระธิดาไปด้วยกันเห็นความดีของพระสีวลีเป็นสําคัญ แปลว่าเป็นพวกเราเราถ้าเราเป็นผู้ใหญ่กว่าถ้าเขามาหาผู้นน้อยกว่ามากๆบางทีเราอาจจะคิดชาด้ยยายได้สิยาคนได้แต่ว่านี่องค์สมเด็จพระจอมไตรบริมันสัชนาเป็นผู้หมดกิเลสแล้วองค์สมเด็จรัชทีแก้วมีความประสงค์อย่างเดียวคือยกย่องบรรดาสาวกทั้งหลายที่มีความดี นี้ตามในที่เราว่ากล่าวกันว่า อ, องสมเด็จพระจินทร์สีทรงสมมมีวิหารสีก็ในข้อนี้ก็ได้เรียกว่ามุขูตตาจะมีจิตอ่อนโยนเลือพลอยยินดีกับความดีที่บุคคลอื่นมีอยู่เช่นพระศีวลีเป็นต้นกวามตามพระบาลีกล่าวว่าพระเถระคือพระศีวลี <c oughs> ไม่รับถวายพัทธิบรรดา เทว ด, ดาทั้งหลายนำมาถวายคำว่าพัดหมายป็นเครื่องบริโภคทั้งข้าวต้มข้าสวยเป็นต้นที่มาถวายแกท่านแล้วท่านก็ถวายแกบรรดาวิสุทธิสงฆ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกการสัตยสนดาพร้อมด้วยบริวารก็สรเสบยบุญของพระศิว ล, ลีอยู่ณที่นั้นตลอดระยะทางสามสิทโยตเป็นเวลาสามสิบวัน ทาสามสิบโยต์เดินทางบรรยโยต์ก็เทวดาเขาตั้งใจจะเลี้ยงก็ต้องพักกันสามสิบวันแล้วก็อยู่อย่างสุขส บ, บายเสวยอาหารหรือว่ากินอาหารก็เทวดาสามสิบวั น, วนสําหรับพระเรวัตเทระซึ่งมีอายุเจ็ดปีความจริงพระเรวัตนี่เป็นเลนแต่เดาว่าในเมื่อเป็นพระอาหารหันต์แล้ว ท่านก็เรียกว่าพระเถระคือเป็นพระผู้ใหญ่แต่นี้เคยปรากฏมาในเรื่องเรื่องหนึ่งว่าพิสุชาวเมืองปราถาเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีเมนองคหนึ่งอายุเจ็ดปีนั่งอยู่หน้าวิหารพระผู้นั้นเวลาจะเข้าไปก็จับหัวเลนถามว่าเนนน้อยพระผู้มีพระพ่ายเจ้าอยู่หรือเปล่า สมณเณรก็กราบเรียนว่าอยู่ก็รับท่านก็เข้าไป อ, องสมเด็จด้วยจอมไตรเห็นพระทั้งหลายเหล่านั้นจะมีโทษหนักเพราะว่าสมณเณรองนั้นเป็นฆาตรหรันยิ่งไม่ถามพิสุชาวปาถาว่าท่านเข้ามานี่เห็นพระมาหาเทระนั่งอยู่หน้าวิหารหรือเปล่าพร <c oughs> ะทั้งหลายเหล่านั้นก็กราบถวกราบทูล อ, องสมเด็จพระผู้มีพระพ่ายเจ้าว่าไม่เห็น แต่ก็บอกว่านั่งอยู่ที่หน้าประตูพระก็บอกว่าเห็นดันเนนตัวเ ล, เล็กๆอายุประมาณเจ็ดปีองสมเด็จพระจินสีอยู่ในโสนจัดว่านั่งคือพระมาหาเทระก็เป็นพระอราหาันแล้ว <c oughs> ขอให้ท่านทั้งหลายจะไปขอเข้ามาโทษเสียเพราะการทำร่่งเกินพระราหันมีโทษหนะักนี่เป็นอันว่าพระเรวัตตะ ซึ่งเมัอยอดเจ็ดปีบวชเป็นสมณีนแต่เป็นพระรหันต์ก็ถือว่าเป็นพระเต็มตัวท่านจะให้นามว่าพระมาหาเทระเป็นอันว่าว่าฝายพระเลวะตะเถระเมื่อทราบว่าองค์สมเด็จโตสัมมาสัมพุทธเจ้ทาทรงเสด็จมาจึงมิได้มิตรพระคันตกดีเพื่อเป็นที่พักขององค์สมเด็จพระพูมีพระพ่าเจ้าเป็นที่สบายกว้างขวางพอ แล้วก็นิรมิตรเรือนยอดอีกห้าร้อยหลังเป็นที่อยู่ของบรรดาพระทั้งหลายแล้วก็นิรมิตที่จงกรมอีกห้าร้อยที่แล้วก็ที่พักสําหรับกลางวันที่พักสำหรับกลางคืนอีกห้าร้อยที่ <c oughs> เมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสเสด็จไปถึงเื่อประทับในสำนักที่พริวัตวจัดไว้จนสิน้นเวลาประมาณหนึ่งเดือน แล้วก็ทักอยู่ที่นั้นทรงเสวยบุญของพระศีวลีเทละนั่นเองนี่ก็หมายความว่าขณะที่ไปพักอยู่ที่นั้นบรรดาเทวดาทั้งหลายก็นำอาหารไปถวายตั้งใ จ, จเฉพาะพระศีวลีเท่านั้น <c oughs> เขาไม่เคยเห็ความสำคัญขององค์สมเด็จพระผู้มีพระพ่าจเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ดว่าอะไรตั้งใจสนับสนุน อันนี้ตามธรรมดาบบคลในสมัยนั้นพระที่บวชอยู่พระที่ไปกับพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่พระอริยะทุกองค์ที่เป็นพระบุถุชนก็มีอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงตาแก่แก่มีความสำคัญมากเพราะว่าบรรดาหลวงตาแก่นี้สร้างความเดือดร้อนทุกสมัยในสมัยพุทธเจ้าก็ดีหลังที่พุทธเจ้าทรงนิพพานมนแล้วก็ดี แล้วก็ในสมัยปัจจุบันนี้กุลีคนแก่อยู่แต่ว่าคนแก่ที่ดีก็มีคนแก่ที่เลวก็มีที่มันด้พิสูจเรานั้นก็มีพิสูุนแก่อยู่สองลูปในเวลาที่องคสมเด็จพระผู้มีพระพายเจ้าไปเข้าไปรประทับอยู่ที่ป่าไม้สแก่แต่ว่าปรากฏว่าในที่นั้นเป็นที่อยู่สบายมาก มีความสุขมากอาหารก็ได้รับจากเทวดาเธอยังคิดอย่างนี้ว่าภิสูจนนี้ธรรมนวคัมหรือว่าทำการก่อสร้างหมายถึงบริวัตะะิเธอทำการก่อสร้างมีประมาณเท่านี้อยู่เธอจะอาจทำสมณธรรมได้อย่างไรนี่จะนั่งตำหนิงวันเลนตัวเล็กๆอายุเพียงเจ็ดปี มันนั่งก่อสร้างมาหาวิหารที่ใหญ่โตสร้างที่พักอาศัยของบรรดาพิสุท์ทั้งหลายทั้งห้าร้อยหลังสร้างที่จงกรมทั้งห้าร้อยที่สร้างที่พักกลาวังกลางคืนอีกห้าร้อยที่แล้วก็จะมันนั่งมีเวลาเจริญสมณธรรมได้ยังไงนี่เป็นเรื่องของพระแก่ช่างคิดแล <c oughs> ้วะการคิดอย่างนี้คือว่าคิดลงอเวจีมหานรก เก็ ว, ว่าเอาความสามารถของตนไปเทียบกับความสามารถของบุคคลอื่นมันเป็นไปไม่ได้ในลำดับนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศักดิ์ศาศาศาศาสันดาษทรงทํากิจเขาเหนือก่อนแกก็เลยนั่งคุยกันต่อว่าสมเด็จพระพุทธมีพระภาคเจ้านี่เป็นคนเห็นกันหน้าบุคคลมุขโคโลงกันนะได้คิดว่า สมันในนี้นี่เป็นน้องชายของมัารีบุตรคงไม่มีดีอะไรแค่มาอยู่ที่นี่สามเดือนพยายามสร้างอาคารอยู่ทั้งหมดไอการเอาดีในการเจริญสมณธรรมคงจะไม่มีถ้าที่องค์สมเด็จพระจินทร์สีทรงมาเยี่ยมก็เพราะว่าเป็นน้องชายของมัารีบุตรถ้าเป็นคนอย่างเราองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่มาเยี่ยม เราะว่าคนอย่างเราไม่มีความหมายพระององสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสัญาทรงทราบว่ารู้ว่าทรงทราบวาระดำจิตของบรรดาพระภิกษุทั้งสองท่านในเวลาเช้ามืดเวลาที่ดูบริสัยของโลกแล้วสมเด็จพระบัณทิตแก้วมาทราบแล้วประทับอยู่ที่นั่นประมาณหนึ่งเดือน ในวันที่จะเสด็จกลับก็ทรงอธิษฐานในฤทธิ์โดยบรร ด, ดาลงตากแก่สององนั้นลืมหลอดน้ำมันลืมลักจันลืมรองเท้าของตอนไว้ในสถานที่นั้นแล้วก็เสด็จไปอยู่เมื่อสดดออกไปถึงบริเวณภายนอกก็คลายฤทธิ์ให้บรรดาพิสุสององทั้งหลายเหล่านั้นได้มีความรู้สึกว่าตนลืมของไว้ <c oughs> พมินดาทั้งตาแก่สององค์นั้นนึกขึ้นมาได้ว่าละลืมของยังบอกกันว่านี่ผมลืมของอย่างนี้ไปแล้วพาทั้งสองรูปพากันกลับไปกําหนดสถานที่นั้นว่าตนพักอยู่ที่ไหนจะไปเรือนหลังนั้นพอเข้าไปที่นั้นก็ถูกฝากถูกหนามหรือไม้เสแกแฉแทงเที่ยวไปมองดูสถานที่เอเรียนยอดมันก็ไม่มี กลับไปพบหอสิ่งของของตอนที่ห้อยอยู่ที่ต้นเศรแฐ่ต้นหนึ่งถือเอาแล้วก็หลีกไปแม่องค์สมเร็จพระจอมไตรบรมาสยาชันดาสมัย ส, สมุทธเจ้าพาพิสุสงเสริบเบยบุญของเมรีวดรีเทระตลอดการประมาณหนี่งเดือนแลอีกพระเด็จกลับไปสู่ปุพารามหาวิหารที่นาวิสาขาสร้างถวาย ลำดับนั่นที่สุกแก่เหล่านั่นล้างหน้าแต่เช้าสู่แล้วเดินเข้าไปตั้งใจว่าพวกเราจะดื่มเข้าต้มในเรืองข้านาวิสาขายผู้ถวายอาคัรธุกภัทมันดื่มเข้าต้มแล้วก็จะเที่ยวข้าจะกิงของเชี่ยวของฉันต่อไปแต่แต่ว่าบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย สำหรับวันนี้เวลาที่จะนําบุคคลผู้เป็นตัวอย่างมาเล่าแก่บรรดาท่านทั้งหลายฟังเวลาการก็จบไปเส็ยแล้วหมดเวลาเสียแล้วเพราะเวลานี้ก็เป็นเวลาที่ควรจะแนะนำํำในการเจริญพระกรรมฐานกันต่อไปฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายพร้อมไม่ได้พิสูจน์และสมันเลยโปรดคอยรับฟังคําแนะนําในการเจริญพระกรรมฐานในด้านมหาปฏิปทานาสุด ในบทนีว่าอริยาปัทับคืออริยาบทต่อไปในกาลบัดนี้